นานมาแล้วมีนายพรานอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีวันหนึง่งตอนที่เขากำลังเดินเขาเจอหญิงแก่คนหนึ่งที่ถามเขาว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เธอดูมีความสุขแต่ฉันหิวและกระหายมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมเขาสงสารหญิงแก่คนนั้น เลยให้ทุกอย่างที่เขามีไปกับเธอหญิงคนนั้นมีความสุขเขาตัดสินใจเดินทางต่อแต่หญิงคนนั้นห้ามเขาเอาไว้ฟังนะเพื่อนยากเธอใจดีมากฉันมีความลับจะบอกกับเธอระหว่างที่เดินทางเธอจะเห็นต้นโอ๊กต้นใหญ่จะมีนกสามตัวที่มีผ้าคลุมอยู่พวกมันจะให้พรกับเรา ยิงธนูของเธอไปที่ตรงกลางตัวของนกและเอาคาคลุมนั่นมาแล้วเอาขนนกนั่นมาด้วยถ้าเธอมีมันเธอจะได้ทองทุกเช้าใต้หมอนขอบคุณนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะดีกับผมมากเลยและผมจะขอขอบคุณไปตลอด อ๋อและหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านเอาผ้าคลุมไปแขวนเอาไว้แล้วเขาก็นอนบนเตียงพร้อมกับขนนกบนเสื้อวันนั้นอากาศดีนอยพรานตื่นขึ้นมาและดูใต้หมอน และเขาก็เจอทองสุดจะมีค่านายพรานเก็บขนนกไว้กับตัวของเขาตลอดและเขาก็เจอทองทุกๆเช้าที่ใต้หมอนเขาสะสมมันจนมากพอจนเต็มโหลและเมื่อเต็มเขาก็มีความสุขแล้บอกกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันรวยแล้วฉันจะเอาเงินพวกนี้ไปทำอะไร ฉันจะต้องออกเดินทางและท่องโลกไกลหลังจากนั้นนายพรานก็ออกเดินทางไปเขาเดินทางผ่านป่าแม่น้ำภูเขาและเอาภาคภุมกับขนนกไปด้วยมีทองทุกๆุกเชา้าในทุกๆสถานที่วันหนึ่งเขาไปเจอปราสาทแสนสวยและเจอสาวสวยคนหนึ่ง และหญิงแก่ในวังเห็นพ่อหนุ่มนั่นไหมเขามีของมีค่าสองชิ้นมากับเขาเราจะต้องเอามันมาจากเขามาต้อนรับเขากันเถอะไม่เคยเห็นหญิงสวยแบบนั้นมาก่อนเลยมาที่นี่ได้ยังไงงั้นรึฉันจะช่วยคุณได้ยังไงสวัสดีผมเดินทางมาเรื่อยๆ ผมเหนื่อยและอยากจะขอพักที่นี่สักหน่อยนะครับผมมีเงินพอที่จะจ่ายครับ <c oughs> งั้นเหรองั้นก็เข้ามาเลยหลายวันผ่านไปนายพรานตกหลุมรักสาวสวยคนนั้น <c oughs> เขาใช้เวลาของเขาในวังแม่มดขโมยขนนกของเขาตอนเขากําลังนอนและนายพรานกลับไม่รู้ตัวเพราะเขาเอาแต่ตกหลุมรัก ของของเขาเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะเขาต้องเอามันจ่ายให้กับแม่มดเพื่อเป็นค่าที่อยู่แม่มดอยากจะได้ผ้าคลุมเหมือนกันและแม่มดคุยกับผู้หญิงใกล้ๆกับเตาผิงที่วังเราต้องเอาผ้าคลุมนั่นมาให้ได้เขาเสียเงินทั้งหมดไปแล้วนะขอละปล่อยเขาไปเถอะเธอต้องทำตามที่ฉันบอก และฉันต้องได้ภาคกลุม่มด้านด้วยโอ๋สวัสดีที่รักคุณดูกังวลนะมีอะไรอย่างนั้นเหรอมีหินก้อนใหญ่ที่นั่นมีเพชรก้อนใหญ่ด้วยนะไม่มีใครไปที่นั่นได้ฉันอยากจะไปที่นั่นแต่ไปไม่ได้มันทำให้ฉันเศร้า ถ้าคุณต้องการแบบนั้นผมจะทำให้ทันทีเลยว้าวคุณทำได้จริงๆนี่มันเยี่ยมมากๆขอบคุณมากๆนะที่รักดีใจที่คุณมีความสุข จะว่าอะไรไหมถ้าผมขอนอนตักหน่อยผมเหนื่อยมาก <c oughs> นายพรานตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าเขาโดนทิ้ง <c oughs> เขากโกรธเลยสาบยิงคนนั้นคนมันชั่วแบบนี้ได้ยังไง แล้วเราจะเป็นยังไงและตอนนั้นเขาก็เห็นยักษ์สามตัวเดินมาทางเขาเขารู้ว่าเขาหนีไม่ได้เขาเลยแกล้งตายยักษ์ก็เลยคุยกันเองว่าจะทำยังไงกับเขาฆ่าเขากันแล้วก็กินกันแม่จะพาเขาไปจากที่นี่นะอย่าสร้างปัญหาแล้วล่อคนให้มาที่นี่มากขึ้นเลย ถ้าเราขีเม่พวกนี้ไปได้เราจะไปที่วังนั่นได้อีกก็ได้นะหลังจากนั้นเม่ก็มาและพาเขาไปทางไกลไปส่งเขาที่ป่าทึบจากตรงนั้นเขาเดินไปที่วังใช้พระอาทิตย์และดวงดาวกับพระจันทร์เป็นตัวนาทางเขาเจอแปลงผักระหว่างทางเขาหิว เลยตัดสินใจตัดหัวผักกาดออกมาแล้วก็กินมันเขารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเขากลายเป็นแพ้เขารู้ตัวว่าผัก น, นั้นมันน่าจะมีเวทมนต์อยู่เขาตกใจเลยกินผักต่างๆที่ต่างไปอ้อมันทำให้เราได้เงินทองของเราคืนมาแล้วสั่งสอนบทเรียนให้พวกชั่วนั้น ใค้คนสุกกระโปรกต้องการอะไรคุณครับผมแค่ผ่านมาผมต้องมาหาผักที่ดีที่สุดในอนาณาจักรของราชาผมเจอแล้วแล้วกำลังจะเอาไปให้ท่านผมต้องพักคืนนี้งั้นเหรอแล้วเธอจะให้ฉันลองกินผักที่อร่อยที่สุดในอนาณาจักรไหมล่ะแน่นอนครับนี่มันอร่อยดีนันเนี่ย อร่อยจริงๆหลังจากนั้นนายพรานได้เงินทองกลับมาแต่เขาไม่พอใจกับพวกแพะ <c oughs> เขาเอาแพะไปให้กับคนที่โรงโม่และสั่งให้เขาให้อาหารกับแพะแก่วันละสามครั้ง <c oughs> ให้ฟางวันละหนึ่งครั้งและให้อาหารเป็นฟางกับแพะสาวสามครั้งต่อวันไม่กี่วันหลังจากนั้น ขุนโมก็กลับไปหานายพรานพร้อมแพะสาวท่านแพะแก่ตายแล้วและแพะสาวดูเศร้ามากคงรอดได้อีกไม่นานนะครับนายพรานของฉันฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างแม่มดบังคับให้ฉันทำแบบนั้นฉันหยุดนางไม่ได้ฉันให้ชีวิตเธอฉันเชื่อเธอและฉันก็รักเธอ หลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข